ขรรวะพระคุณเจ้าน้วขอเจริญพรญาติโยมสาธาณชนทุกท่านค <c oughs> ุณวิชัยเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงงานด้านสิ่งแวดล้อมนะซึ่งทางหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้ได้เริ่มเอาไว้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยพาะการอนุรักษ์ป่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสามารถที่จะช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขป่านี่ไม่เพียงแต่จะให น้ำให้อากาศให้ปัจจัยสีเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถจะให้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเช่นความสงบนะเวลาเรารู้สึกร้อนรุ่มเนี่ยนะถ้าเราได้ไป อ, อยู่ท่ามกลางป่าท่ามกลางธรรมชาติมีลำธารไหลผ่านหรือว่าอยู่ริมทะเลเราจะรู้สึกถึงความสงบความโปร่งโล่งเบาสบายความรุ่มร้อนนะที่ มีอยู่ก็ค่อยๆทุเลาเบาบางอันนี้ก็เป็นอ น, นิสงฆ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินะ น, นือกจากการให้คุณค่าในทางธรรมะเพราะว่าถ้ า, ากว่าเราได้อยู่สัมผัสความสงบในธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้เห็นตัวเราเองชัดเจนขึ้นเห็นกาเห็นใจอย่างที่เป็นธรรมะที่แสดงโดยธรรมชาติเนี่ยใจของเราสามารถจะเปิดรับ และซึมรัพย์จนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้เป็นอ น, นิสงค์คุณค่าอย่างหนึ่งของธรรมชาติสิ่งวัดลอ้อมม น, นุษย์เราเนี่ยโหยหาธรรมชาติมากนะผู้คนทั่วโลกเนี่ยนะเดินทางกันมาที่ภูเก็ตนะก็เพื่อว่าจะได้สัมผัสกับธรรมชาติไม่ใช่แค่เพื่อเห็น สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจหรือเพื่อได้พบกับความสนุกเท่านั้นนะแต่ว่ายังปรารถนาที่จะเห็นความสงบยังปรารถนาจะเข้าถึงความสงบในจิตใจด้วยอย่างไรก็ตามคนเราเนี่ยคงไม่สามารถที่จะดันด้นไปสัมผัสกับธรรมชาติป่าเขาลําเนาำทามได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราจะหาความสุขได้จากไหนตัวนี้เนี่ยคนผู้คนจานวนมากเนี่ยแม้จะล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะมีความสุขได้จะพบความสุขได้เนี่ยต้องไปเที่ยวต้องไปสัมผัสกับธรรมชาติไปเที่ยวห้างไปชอปปิ้ง เราคิดว่าความสุขเนี่ยเราจะพบได้สัมผัสได้นเนี่ยนะก็ต่อเมื่อไปตามที่ต่างๆสมมติว่าความสุขเนี่ยมันอยู่นอกตัวเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะความสุขมันอยู่แล้วในจิตใจของเราแต่ว่าเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยตรหนักเท่าไหร่ผู้คนคิดว่าความสุขอยู่นอกตัวเราและเราต้องออกไปต้นต้นแสวงหาตามห้างนะ ต้องไปตามโรงแรมรีสอร์ทนะไปไกลถึงต่างประเทศนะลอนดอนนิวยอร์กนะหรือว่าเกียวโตนะเพื่อว่าเราจะได้พบกับความสุขแต่ว่าตาบใดที่เราไม่พบความสุขภายในนะไม่ว่าเราไปที่ไหนก็หาความสุขได้ยากอาจจะพบแต่ความสนุกแต่ความสุขกับความสนุกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะ เช่นเดียวความสุขกับความสบายก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้ที่ไหนเลยมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เราจะมาเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยถ้าหากว่าใจเราอยู่ตรงนี้อยู่ในห้องนี้ฟังคําบรรยายเนี่ยเราจะไม่มีเหตุผลใดๆที่จะทุกได้เลย เพราะว่าที่นั่งก็สบายนะอากาศก็ไม่ร้อนนะบรรยากาศก็สงบไม่มีเสียงที่จะมารบกวนแต่ทันทีที่ใจเราเนี่ยแวบไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตนึกถึงเงินที่หายโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปนึกถึงคำพูดที่ไม่ดีของใครบางคนการกระทำที่ไม่น่ารักนะของเพื่อนร่วม ง, งานเนี่ยหรือว่าความสูญเสียบางอย่าง เราจะรู้สึกทุกข์เราจะเสียใจเราจะอาลัยหรือว่าโกรธเคืองทันทีเลยหรือไม่ถ้าใจเราเนี่ยนะเผลอไป น, นึกถึงลูกว่าลูกเราจะเข้าเหมาเฉลยได้ไหมพ่อเราอตอนนีอ้อีกไม่นานกะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปรับผลการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเราไป น, นึกถึงเศรษฐกิจนะ ในอีกสมเดือนข้างหน้า6กเดือนข้างหน้าว่ามันจะพันปวนแปรปวนยิ่งกว่าตอนนี้ใจเราทุกข์ใจเรากังวลขึ้นมาทันทีมีความสุขหนักหนักใจขึ้นมาทันทีหรือบางทีก็สุร้อนรุ่ม ท, ทั้งทั้งที่อยู่ในห้องที่เย็นสบายความทุกข์มันอยู่ตรงนี้แล้วนะแ ต, ตน แ, วแต่ถ้าใจเราไม่อยู่ตรงนี้ด้วยความสุขมันอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าใจเราอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะใจเรานะไม่อยู่กับปัจจุบันจะหาความสุขได้ยากมาก พูดไปแล้วว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะอันนี้หมายถึงความทุกข์ใจนะความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยเกเซนเี่ยเกิดจากการที่ใจเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบนันใจมันไอยู่กับดีกับอนาคตด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วโดวยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพะวงนี้รวมไปถึงกังวลวิตกด้วย ลองสังเกตดูใจของเราเนะีเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราทุกข์เรื่องอะไรเรามักจะทุกข์เรื่องที่ผ่านไปแล้วเงินหายของหายหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าเรากังวลล่วงหน้าแล้วเพราะเราปรุงแต่งว่ามันจะต้องเกิดเรื่องร้ายอย่างนั้นเกิดเรื่องไม่ดีอย่างนี้นะคนที่สุขภาพดีนะแต่ว่าพอเป็นทึกวันเนี่ยอีกสองสามวันต้องไปรับผลการวินิจฉัยของหมอหมอบอกว่าอีกสามวันมารับผล นะใจนี่แป้วเลยนะหมอกลัวว่าหมอจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งเพียงแค่คิดว่าเนี่ยหมออาจจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งหรือผลวินิจฉัยอาจจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งหรือติดเชื้อชีวีนเนี่ยนะใจเราขอเหวี่ยงเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนะอันนี้แหละคือคือความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ธรรมชาติของความทุกข์คนส่วนใหญ่คือใจที่ไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ไปอยู่กับอดีตกับอนาคต ในพุทธเจ้าเนี่ยจึงจ ง, จงจึงเน้นว่าเนี่ยให้เราเนี่ยฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดความทุกข์ในที่ทํางานคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะงานที่กำลังทำอยู่อยู่ข้างหน้าแต่ทุกข์เพราะกังวลถึงงานที่มันยังคาอยู่หนักใจกับการประชุมที่จะต้องเกิดขึ้นในวันมะรืนนี้นะจะต้องไปพรีเซนต์งานกับลูกน้องอกับลูกค้า มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่พอแค่นึกถึงเนี่ยก็ทุกข์แล้วเวลาเาทจะมาพูดว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขเนี่ยในที่นี้หมายถึงสุขใจสุขกายนี่ไม้รับรองนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราอต้องเจอความร้อนหลอดองเจออากาศหนาวหลอดจะหิวหลอดจะป่วย <c oughs> แต่ว่าถึงแม้เราจะทุกข์กายอย่างไรเราสามารถจะมีใจที่สุขได้ พูดถึงความสุขใจแล้วเนี่ยเราสามารถจะพบได้ในทุกที่โดยเพราะถ้าเรารู้จักวางใจอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ให้คิดถึงอดีตเราคิดได้ถ้าเราคิดเพื่อใครครวนไม่ใช่คร่ําครวญนะเดีย๋ยวนี้เวลาคนผู้คนคิดถึงอดีตเนี่ยคิดด้วยความรู้สึกที่คร่ําครวนไม่ใช่ใครครวนใครครวญนี่ต้องใช้สติและปัญญาเรานึกถึงอนาคตได้ถ้าเรานึกเพื่อการไต่ตรอง เพื่อพิจารณาให้เกิดความไม่ประมาณในชีวิตหรือเพื่อที่เราจะได้ตระเตรียมไม่ใช่เพื่อให้พะวงวิตกกังวลนี่ประการแรกเลยนะฮะการอยู่กับปัจจุบันนะซึ่งมันจะสัมผัสข้อที่สองก็คือว่าการที่เราเนี่ยรู้จักชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี อธิบายว่ทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วถ้าคุณไม่เจ็บไม่ป่วยก็ให้รู้ว่าเนี่ยคือความสุขแล้วที่อาจจะไม่เต็มตันหลองคุณเจ็บป่วยทุสิพรุ่งนี้มารือนเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนที่ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดฟันไม่ปวดท้องเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วถ้าคุณไม่หิวท้องคุณอิ่มพึงตันหนักว่านั่นแหละคือความสุขแล้ว เพราะลองคุณหิวลองคุณไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับเด็กในแอฟริกาเนี่ยหรือว่าต้องไปติดค้างในเกาะเวลาหิวเนี่ยเราจะรู้เลยว่า้การที่เราได้ได้มีกินกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยเป็นสุขแล้วถ้าคุณไม่พิ ก, การนะคุณยังมีตาที่มองเห็นยังมีหูที่ได้ยินยังมีมือที่จับต้องและขาที่เดินเหนไปไหนได้ คุณตระหนักหรือเปล่าว่านั่นคือความสุขแล้วเพราะถ้าวันไหนที่ตาคุณบอดหูคุณหนวกหรือว่าคุณพูดไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นอัมพาตอัมพาตคุณดูรู้เลยวันนั่นน่ะมันไม่มันเหมือนกันนรกเลยถ้าวันไหนที่คุณพิการนําเป็นเพราะอัมพฤกอมาตเดินไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องนอนติดเตียงเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าวันตอนที่คุณสามารถจะเดินเทินไปไหนมาใดได้เนี่ยนั่นคือความสุขแล้วความสุขเราที่ว่าเนี่ยมันอยู่กับคุณแล้วตอนนี้ การที่คุณได้ตระหนักว่าคุณยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานที่น่ารักมีคู่ครองอยู่กับคุณอยู่ใกล้คุณนะ่ยตระหนักหรือเปล่าว่านะั่นคือความสุขเพราะวันไดที่คุณสูญเสียเขาไปนะไม่ต้องสูญเสียทั้งหมดเราแค่สูญเสียคนเดียวเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเลยว่ามันทุกข์มากเหลือเกินบางทีไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ได้ซ้ําแต่ตอนนี้คุณยังมีเขาอยู่แล้วก็มีหลายคนอยู่ด้วยคุณ อันนี้คือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยมักจะไม่เคยตระหนักพอไม่ตรนหนักเลยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองทุกข์เพราะฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนี่คนเราทุกเนี่ยไม่ได้คนเราทุกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่เพราะไปมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีและไปตรวจ่อสิ่งที่ยังไม่มีเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีแล้วว่ามันมีความหมายอย่างไรเมื่อสิกบกว่าปีก่อนเนี่ยมีมี มีพี่หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นกีฬาประเภทที่ใหม่มากนะคาราเตโดยูโดผสมคาราเต้แล้วก็เธอเป็นนักกีฬาทีมชาติเมืองไทยไม่เคยได้เหรียญทองกีฬาชนิดนี้เลยเธอก็หมายมัดปั้นมือต้องให้ได้ทิพให้ได้เหรียญทองอประเภทนี้แล้วเธอก็ทุ่มเทมากเธอมีพ่อซึ่งเป็นโค้ชส่วนตัว ซึ่งกล้ชิดกับเธอมาและเธอก็รักรักพอมากแต่ว่าตอนไปอไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ซีเกมเนี่ยพ่อไม่ได้ไปด้วยเนะพราะพ่อไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาตินะพ่ออยู่เมืองไทยความฝัน ง, งเธอเนี่ยคือเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้แล้วในที่สุดเธอก็ได้เหรียญทองปเป็นเหรียญแรกของเมืองไทยนะเธอดีใจมากมีการเลี้ยงฉลองกันในในเย็นวันนั้น พอเล่นฉลองเสร็จโค้ชทีมชาติก็มาบอกเธอว่ามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบพ่อเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองสาวันก่อนด้วยอุบัติเหตุเธอร้องไห้โฮทันทีเลยโค้เนี่ยไม่ได้บอกความจริงให้แก่เธอก่อนหน้า น, นี้เพราะ ว, ว่ากลัวเธอจะไม่มีสมาธิใน ก, การเล่นเล่นเล่ น, เ ล, น, เ, ลนเล่นกีฬาตัวร้องไห้โฮแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยเหรียญทองไม่เอาแล้วขอพ่อกลับคืนมาขอพ่อกลับคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้ว แล้วเธอเคยมีเคยเคยมีความรู้สกว่าได้เหรียญทองเนี่ยคือสุดยอดชิลแล้วแต่เธอได้ตระหนักที่จริงเนี่ยมันมีสิ่งที่สุดยอดมากกว่าคือพ่อตอนนั้นเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ได้เหรียญทองเธอจะมีความทุกข์มากแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยเธอได้ตระหนักว่าไม่ได้เหรียญทองไม่เป็นไรแค่มีพ่ออยู่ก็เป็นความสุขแล้วเธอไม่ได้ตระหนักว่าการที่มีพ่อการที่มีพ่อเนี่ยอยู่กับเธอเนี่ยเป็นความเสือ่อมยิ่งเนี่ยก็ต่อเมื่อพ่อจากไปแล้ว คนเราเนี่ยมักจะเห็นคุณค่างสิ่งที่เรามีก็ตอนเมื่อเราสูญเสียสิ่งนั้นไปแต่ตอนที่สิ่งนั้นยังอยู่กับเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นคุณค่าแล้วเราสนใจอยากจะได้สิ่งที่เราไม่มีอยากจะได้โน่นอยากจะได้รถนะอยากจะได้บ้านนะอยากจะได้ถุงร้นตอนเรต้อเรียนวันที่หนึ่งเราชิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นเราจะมีความสุขแต่เราลืมตระหนักว่าถึงคุณไม่มีเนี่ยคุณก็มีความสุขได้ถ้าคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ สุขภาพร่างกายลมหายใจตาที่มองเห็นมือที่จับต้องอะไรได้ทํางานได้เท่ า, ท, าที่พาคุณไปอิสระพ่อแม่ลูกหลานคนรักเคียงอยู่เคียงแค่คุณมาตระหนักเห็คุณทางสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณจะมีความสุขได้ ง, ง่ายขึ้นปัญหาคุณทุกวันนี้คือว่าไม่เห็นคุณทางสิทธิที่ตัวเองมีแต่ไปสนใจสิ่งที่ตดวเอ ง, องสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีสิ่งที่ตัวยังไม่มีเป็นจะเป็น รถยนต์เป็นทองเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานก็ตามหรือไม่ก็ไปสนใจสิ่งที่เคยมีแต่เสียไปเงินที่ถูกขโมยนะแก้วแหวนหรือว่าโทรศัพท์ที่หายไปนะรถที่ถูกโกงอาไปถ้าเราเพียงแต่หันมาสนใจสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายถ้าเราไม่ไปไปพะวงกับสิ่งที่เราไม่มี หรือว่าไม่ไม่เป็นมัวเสียใจกับสิ่งที่เราเสียไปความสุขจะเป็นเรื่องง่ายมีพู้หญิงคนหนึ่งแกโดนโกงไป60ล้านนะแกก็เสียใจนะเสียใจมากแต่แกเสียใจได้แค่ส2สองสาวันหลังจากนั้นแกก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าเธอทำไมถึงยิ้มได้สามีเธอยังเศร้าอยู่เลยทั้งเศร้าทั้งแค้นที่ถูกโกงเธอก็ให้ทิพยให้คาให้ผลว่าก็ฉัน มาคิดได้ว่าทุกวันนี้ฉันก็ยังมีกินยังมีกินยังมีอาหารกินอร่อยอร่อยอยู่ยังมีบ้านพักที่สุขสบายได้อาศัยนะพอมาคิดแบบนี้เข้าฉันก็เลยรู้สึกว่าชีวิตก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรพอมาคิดแบบแบบนี้ก็เลยรู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกเสียใจ ก, กับสิ่งที่เสียไปถ้าเธอมาเสียถ้าเธอมากังวลหรือนึกถึงเงิน60บล้านที่เสียไปเธอจะไม่มีความสุขเลย ถ้านั่นที่สิ่งที่เธอมีเนี่ยมันมีมากมายหลายเท่ากับสิ่งที่เสียไปเพิ่มเธอมาคิดได้เมื่อเธอหันมาตระหนักว่าเออฉันก็ยังมีมีกินอย่างสบายมี ท, มที่มีที่หลับที่นอนซึ่งเป็นเครือหายชีวิตไม่ได้ทุกข์ลงชีวิตไม่ได้ลําบากไปกว่าเดิมเลยเพราะว่าเงินที่เงินที่หายไปก็เป็นแค่ตัวเลขมันไม่ได้ทำให้ชีวยยิตของเธอนี่แย่ไปกว่าเดิมเลยก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมพอเธอม า, ม, ามองเห็นสิ่งที่เธอยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทุกข์ คุณถึงแม้คุณจะมีมีเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้าคุณมัวแต่เสียใจโทรศัพท์ที่หายไปถ้ามถ้าคุณมัวแต่นึกถึงโทรศัพท์ที่หายไปเงินพันที่หายไปคุณก็ไม่มีความสุขคุณจะมีกี่ร้านก็ตามแต่ถ้าคุณคอยนึกถึงว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้อีกแสนหนึ่งเมื่อไหร่ฉันจะได้อีกล้านหนึ่งคุณก็ไม่มีความสุขจนกว่าคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ที่คุณเองมีอันนี้เรียกว่า ชื่นชมนะสิ่งที่ตัวเองมีไม่ไปไม่ไปบวกกังวลกับสิ่งที่เสียไปหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ได้มาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นการมองในแง่บวกแบบหนึ่งก็ได้มองแง่บวกคุณถ้าคุณมองแง่ถ้าคุณมองถ้าคุณมองไม่เป็นเนี่ยคุณได้มาเท่าไหร่คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณยังยังเสียอยู่ คนที่มองแง่ลบเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาเสียตลอดเวลาทั้งที่เขาเองเนี่ยอาจจะได้โชคได้ลาบด้วยซ้ำอาตมารู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นหุ้นนะตอนนี้ก็เริ่มซาลงไปแล้วเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มเล่นน้อยลงแต่ตะก่อนนี่เล่นเป็นที่เป็นจังมากแล้วก็วันนึงก็ไปเจอคุณป้าคุงที่ตลาดหุ้นคุณป้าคณนณที่บอกว่าเมื่อสองสาวันก่อนเพิ่งขายหุ้นไปตัวหนึ่งลดใหญ่เลย ได้กำไรสิบล้านาเพื่ อ, อตะมาเลยบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้ า, ปาตอบว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรละยี่สิบล้านคุณป้าไม่ได้ดีใจนะได้สิบล้านทั้งที่มันมากกว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ทำไมฮะคุณป้าไม่ได้เชื่อตัวเองได้10บล้านคุณป้าเชื่อตัวเองเสียสิบล้านใช่ไหมเพราะถ้าเพราะหุณมันขึ้นวันนี้เนี่ย ถ, ถ, ถ้าถ้าเธอขายหุ้นวันนี้เธอได้20บล้าน แทนี่คุณป้าจะองว่าเธอได้10ล้านเธอมองว่าเธอเสีย10ล้านพอคุณมองไมปปอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยซุดเลยทุกเลยวันรุ่งขึ้นคุณป้าไม่มาที่ตลาดขึ้นเหมือนเคยเพื่อนามาก็เลยไปถามมาเก็ตติ้งในที่รู้จักคุณป้าที่เท้าคุณป้าไปไหนได้คําตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วทราบมฮะเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเครียดฮะเครียดที่ได้10ได้กําไรแค่10ล้านไอ้นี่เป็นตัวอย่างนะคุณคุณได้เท่าไหร่เนี่ย คุณก็ไม่มีความสุขถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณได้10ล้านแต่คุณมองว่าคุณเสีย10ล้านคุสิบล้านคุณมันหลุดไปจากมือไปเลยคุณทุกข์เลยหรือถ้าคุณเปรียบเทียบคนอื่นหรือตัวคุณคิดว่าฉันน่าจะได้20่สิล้านเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้20บล้านคุณก็ทุกข์ไม่ว่าคุณจะได้เท่าไหร่คุณได้ร้อล้านคุณก็ทุกข์ถ้าคุณคิดว่าคุณน่าจะได้200ล้านเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณรู้จักมองเห็นสิทธิ์ที่คุณมี ถ้าคุณมองแง่บวกคุณก็จะมองคุณก็จะมองเห็นสิ่งที่คุณมีถ้าคุณมองแง่แลบคุณก็จะเห็นแต่สิ่งที่คุณไม่มีหรือสิ่งที่คุณไม่ได้มานะสำคัญมากนะมีผู้หญิงหญิงสาวไตหวันคนนึ่งนะแกอายุ30ได้ตอนนี้เกิดมาพิการพิการทางสมองพูดไม่ได้เดินเหินก็ลําบากสื่อสารได้ด้วยการเขียน เราคิดดูสิว่าถ้าเราเป็นแบบเธอจะทุกข์แค่ไห น, นอนาคตจะมีไหมบอกว่าเธอเนี่ยภาคเพียรจนสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกจาก UCLA ประเทศอเมริกาหมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสสาขาศิลปศาสตร์เป็นหมหาวิทยาลัยตั้ต้นของโลกนะขณะคนธรรมดาที่มีมือมาเนี่ยยังน้อยคนที่จะเรียนได้ถึงขนาดนั้น เธอได้รับเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ให้ให้กำลังใจกับคนกับนักศึกษากับนักเรียนเธอพูดไม่ได้เธอก็เขียนเอาใส่กระดานก็มีคราวหนึ่งมีคนมาถามเธอซึ่งจะเป็นเป็นนักเรียน่ะนะถามเธอว่าคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองไหมที่คุณเกิดมาพิ ก, การฉันอยากจะถามคุณว่าคุณรู้สึกตุ ก, กับตัวเองอย่างไรคุณมองตัวเองอย่างไร ห้องประชุมนิ่งเงียบกริบเลยนะเพราะว่าเป็นคำถามที่มันตรงเกินไปไม่ควรถามคนพ่การแต่เธอก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยเธอก็ยิ้มแล้วก็เธอก็หันไปเขียนคำตอบอเธอในกระดานเธอบอกว่าเธอเขียนว่าฉันรู้สึกกับตัวอย่างไรข้อหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักข้อ2นะฉันมเีเรียวขาที่สวยงามข้อสพ่อแม่รักฉันข้อสี่พระเจ้า ก, ก็รักฉันข้อหฉันเขียนรูป ฉันวาดภาพได้เธอสามารถจะวาดภาพและเป็นแสดงในเทศการข้อ6ฉันมีแมวที่น่ารักแต่ที่คนประทับใจคือข้อที่7จ็นะเธอบอกว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีนี่คือเคล็ดลับความสําเร็จและความสุขของเธอนะอะไรที่ไม่มีก็สนใจมันทําไมเราควรจะคึกชื่นชมสิ่งที่เรามีสิอะไรที่เราไม่มีเช่นความสามารถในการพูดความสามารถในการในการมองในการเดินเหิน ก็อย่าไปสนใจมันมากสนใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะและชื่นชมมันให้ได้นะนั้นถึงแม้ว่าถ้าคุณมองแบบ น, นี้ถ้าคุณมีมุมมองแบบ น, นี้เนี่ยคุณจะขาดอะไรไปเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเท่าไหร่เพราะคุณจะเห็นคุณจะตระหนักเสมอว่าคุณยังมีอะไรอีกมากมายซึ่งสามารถจะให้คุณมีความสุขได้มีผู้หญิงไทยคนนึงคิด ค, คล้ายกันนะมีทัศนคติ ค, คล้ายกัน เธอเกิดมาเนี่ยเป็นโรคทรัสซีเมียเป็นโรคทรัสซีเมียโรคเลือดอย่างแรงเลยนะเพราะพ่อกับแม่นี่มี ม, มีเป็นผาห่าทั้งคู่คนไทยเป็นเป็นมีเป็นผาห่าทรัสซีเมียนี่เป็นสิบล้านนะเ้าพ่อแม่แต่งงานกับพวกนี้เป็นเลยลูกนี่เป็นเลยเธอเกิดมาพิชเธอเกิดมาเป็นทรัทรสซีเมียอย่างแรงหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง20ปีแต่ว่าเธอกับน้องสองคนเนี่ยก็อยู่ได้สาสกว่า รู้สึกคนน้องคพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามสปีก่อนคือพอเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยตัวจะแกรนตาจะโปรนร่างกายอ่อนแอมือเทา้าไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่ากระดูกมันเปราะนะล้มทีไรเนี่ยแขนหกัขหกขาหักสองคนนี้ใส่เฟือกันมาเป็นสิบครั้งแล้วต้องรับเลือดเป็นประจำชีวิตแบบนีน้จะมีความสุขเหรอแต่เธอมีความสุขนะ ไปเป็นดีเจเคลื่อนวิธีความสุขเมื่อหลายปีก่อนมีคนถามเพื่อเธอมีความสุขได้อย่างไรเธอบอกว่าคำตอบเธอง่ายๆถึงแม่เลือดฉันจะแย่แต่ฉันมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันมีหูฟังเสียงไพเลาะได้ปากฉันกินของอะไรก็อร่อยเดินเทินไปไหนฉันก็เดินได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคือเธอเธอเธ อ, เธอมองเนี่ยเธอคิดเหมือนคน สาวไต่หวันคนนั้นเลยคือเธอมองแต่สิ่งที่เธอมีเธอเห็นแต่สิ่งที่เธอมีเธอไม่มองสิ่งที่เธอไม่มีหรือไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยที่อะไรที่มันพิการแล้วอย่าไปสนใจมากแต่ถ้าคุณมองเห็นแต่สิ่งแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมองในแง่ลบนะคุณจะเห็นแต่สิ่งที่คุณไม่มีหรือสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามนะอ้วนก็ไม่ห้วนผมก็ดําคลับนะ ผิวก็ไม่คล้ำสุขภาพก็ดีพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากจนเรียนอบอุ่นแต่ถ้าเธอเธอมองเห็นแต่สิวที่มันอยู่ในใบหน้านะเธอจะไม่มีความสุขเลยหลายคน ม, มีพร้อมทุกอย่างแต่เพียงแค่แต่ทุกเพราะเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายแค่นั้นเลยใช่ไหมถ้าวัยรุ่นเป็นกันเยอะนะคือมีพร้อมทุกอย่างแนละ้วเพียงแต่เพียงว่าแค่มีสิวอะทุกวัยรุ่นในอเมริกา 10% บอกว่าการมีสิวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต 10% นะของวัยรุ่นในอเมริกาคนไทยไม่ไม่ทราบเท่าไหร่สิวเนี่ยมันจิน๊บจอยนี่แต่คุณแม่คุณจะมี 99% ที่ดีนะแต่ถ้ามีแค่ 1% ที่ไม่ดีคือมีสิวนะคุณเห็นแค่นี้คุณก็ทุกข์แล้วนะั้นเะนะี่ยสำคัญทว่าคุณต้องออรู้จักชื่นชมสิ่งที่มีแล้วก็มีทัศนคติที่มองมอ ง, มองในแง่บวกนะถ้าคุณมีทัศนคติแบบนี้เนี่ยนะ ไม่ว่าคุณเจออะไรเนี่ยคุณก็สามารถจะยิ้มได้ <S 2> <S 2> คุณก็สามารถจะมีความสุขได้สุขได้ในทุกที่สุขได้ในทุกสถานการณ์แม้จะเป็นสถานการณ์ที่เวลวร้ายคุณก็ยังสุขได้คุณก็ยิ้มได้เพราะคุณรู้จักมองในแง่บวกมองเกียรติมาตอนพูดมองในแง่บวกคือมองมองเห็นแต่สิ่งที่มีไม่มองเห็นสิ่งที่ไม่มีหรือไม่สนใจสิ่งที่ไม่มีมองเห็นสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ไม่มองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดี แต่ไม่ได้มาขอไอสิ่งที่ไม่ดีไม่แก้ไขานะเราควรจะแก้ไขาถ้ามันแก้ไขาได้แต่ว่ามองแง่บวกยวามหมายคือว่าไอสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างด้วยอันนี้นก็เ ป, นเป็นการมองในแง่บวกมองในแง่บวกนี่มันมีหลายความหมายมองเห็นสิ่งที่มีไม่มองเห็นสิ่งที่ขาดมองเห็นสิ่งที่ดีไม่มองเห็นสิ่งที่มันแย่ igen. นี่ก็เป็นความหมายมองมองในแง่บวกที่มาพูดมีผู้ชายคนนึงเนี่ยแกเป็นคนที่ น้ำใจงามมากแกชอบพาคนไปแกชอบไปช่วยเหลือดินแดนถิ่นธุรกันดานบางทีก็พานักศึกษาคนหนุนสานไปทำค่ายเพื่อช่วยเด็กเยาวชนในต่างจังหวัดคร า, าว น, นึงเขาขนนักศึกษานะไปทำค่ายในโรงเรียนธุรกันดานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสร็จสาบก็กลับเขาเองเนี่ยต้องจะต้อไปแสตสอด ต, ต่อ นะแต่ว่าขากรรมเนี่ยก็กลับกับนักศึกษาที่พามาออกค่ายแม่ครองสอ น, นคลงเยอะปรากฏว่า <c oughs> โค้งของเขาเนี่ยบนรถเนี่ยมันตกเหวเดี๋ยวนี้ได้ได้ฟังบ่อยนะรถตกเหวเนี่ยรถคันนี้ก็ตกเหวเหมือนกันพอให้ตกเหวเนี่ยเขาภาวน า, นานเลยนะว่าขอให้ทุกคนรอดปลอดภยัยปรากฏว่าทุกคนรอดปลอดภัยจริงๆแต่เขาเองนั่นแหละ ที่ไม่ปลอดภัยก็คือเกิดการกระแทกจนกระทั่งพิการไปครึ่งตัวคือพิการตั้งแต่เอลลงไปเพื่อนมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลายคนก็เศร้ามีบางคนก็ตัดพาอว่าทำไมทำความดีถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะคำตัดพคอแบบนี้เราคงได้ยินบ่อยนะทำไมทำความดีต้องมาเจอเหตุแบบนี้บางทีไปทอดผป่าทอดกรถินแล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่ว่าหนุ่มคนนี้นี่แกแกปลอบใจเพื่อนแกพูดให้สติเพื่อนแกไม่ได้เสียใจเลยแกพูดกับเพื่อนว่าก็ก็ทําความดีนะเซถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวคนมองไม่คนมองเงี้ยเราก็บอกโอ้โทาไมที่การครึ่งตัวแต่เธอมองเออฉันยังฉันยังทํางานฉันยังมีปกติครึ่งครึ่งตัวนี่ขนาดโจอุบัติเหตุนะ ยังรอดมาได้ต้องแค่นี้นะเพราะทำความดีถ้าไม่ทำความดีป่านนี้ไม่เหลือแล้วนะเธอมองเขามองอีกแบบหนึ่งเลยนะคนนึงมองว่าทำไมทำความดีถึงพิการแต่เขามองว่าเพราะทำความดีเนี่ยถึงรอดมาได้อย่างนี้นะ น, นี่เรื่องนี่เรว่าเป็นการมองแง่บวกเพราะเห็นว่าคุณสามารถจะมีความสุขได้ทุกที่เป็นสุขในทุกสถานการณ์ถ้าว่าคุณสามารถจะมองในมุมนี้บา้าได้ ไดด้้ดดวยนะมองแง่บวกไหมครับว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณก็มองว่ า, วามันดีเสมออาตมาเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยหนักนะที่หัดใหญ่นะอาตมาอบรมประเชิคมความตายสงบเสร็จตอนตอนบ่ายไปสุดท้ายก็พาคนไปเยี่ยมให้กาลังใจผู้ป่วยผู้ป่วยหนักซึ่งมันจะเป็นต้องต้องปผู้ป่วยแรกสุดท้าย <c oughs> จิตอาสาคนนึงก็ไปเจอเด็กอายุสินะผู้หญิงผมร่วงหมดเลย เพราะว่าเธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าเด็กคนนี้นี่โอภาภาษาดีมากชวนคุยไม่มีอาการเศร้าโศกหดผู่เสียใจเธอชวนจิตอาสาวาดรูปเล่นเพราะว่าเธอก็อวาดรูปค่าค่าเวลาแล้วก็เป็นความเตืนอนใจเธอด้วยคุยไปเธอมาเด็กก็บอกหอโูโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งปนลูกเพราะว่านี่ยากหนึ่งเป็นมะเร็งปากนลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง ผมเป็นมะเร็งสมองนี่ยังเห็นยังรูงย้ยังมองเป็นโชคเลยเนี่ยกาที่ตรงการที่เด็กซึ่งเป็นสิวเนี่ยเป็นทุกข์มาก ก, มากุ้กมหัวกุ้กมใจแต่คนนึงเป็นมะเร็งสมองยิ้มนะเพราะเขหมอว่าเขาโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งมดลูกถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ยคุณ ม, มีมีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้ในทุกสถานการณ์เงินหายคุณก็มีความสุขเพราะคุณหมอเออหายร้อยดีกว่าหายพั น, นหรือว่าทวีทรามหายก็ดีดีกว่าลดหายน คุณจะมองแบบนี้อยู่เสมอแต่ถ้าคุณมองไม่เป็นนะคุณได้สิบล้านคุณก็ทุกข์ใช่ไหเห็นไหมจริงๆแล้วเนสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณได้อะไรไม่ได้อยู่ว่าเหมือนคุณเจออะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแต่มีเพกยงว่าคุณมองกับมันอย่างไรคุณรู้สึกกับมันอย่างไรคุณได้โชคได้ลาภถ้าคุณมองไม่เป็นคุณก็ทุกข์เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าได้แค่สิบล้านแต่ถ้าคุณมองเป็นคุณเป็นมะเร็งคุณก็ยังยิ้มได้ว่าโชคดีที่ เป็นแค่มะเร็งสมองหรือว่าดีนะที่พิกแค่ที่การครึ่งตัวนอกจากการอยู่กับปัจจุบันนอกจากการรู้จักชื่นชมสิ่งที่มีนะแล้วก็การมองแง่บวกแล้วเนี่ยนะการรู้จักคิดถึงคนอื่นมันก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เรามีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ เวลาคนที่คิดถึง ต, ตัวเองนี่นะเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์แต่ถ้าคุณค น, คนที่คิดนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยนะเจออะไรหนักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กเลยหรือว่าไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่พอทนไหวน้องโยเนี่ยเป็นเด็กชายยเจ็ดขวบวันนึ่งป้าเนี่ยชวนน้องโยซ้อมมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐม บอกว่าโดนรชนเข้าไปเต็มเต็มเต็มที่เลยรถพังจับเยินป้านี่แขนหขาไปข้างหนึ่งแต่น้องโยนี่หนักกว่านนะั้นเนาะขาเละไปข้างหนึ่งหูรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะแต่ว่าตลอดทางเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลยไปถึงโรงพยาบาลหมอผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับนะ น้องโยนีย่คิดถึงป้าเห็นป้าร้องอดโหยและน้องน้องโยก็ไม่อยากจะเพิ่มความทุกข์ให้กับป้าเพราะถ้าน้องโยร้องป้านี่คงยาหัวใจแตกสลายเลยนะแทบแตกสลายน้องโยนี่คิดถึงป้าก็เลยรู้สึก ค, ความทุกข์ของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องแต่ถ้าน้องโยคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยน้องโยจะต้องครวญครางหรือว่าร้องตลอดทางเน่ถ้าคิดว่าโอ๊ยเนี่ยแล้วต่อไปฉันจะแตะวันได้ยังไงหรือว่าต่อไปฉันจะหาแฟนได้ยังไงเดินขาประเภทแบบนี้หรือขาพิการแบบนี้ แต่น้องโยไม่มีความคิดแบบนี้น้องโยคิดถึงป้ามีผิวคนนึงแกแกคิดฆ่าตัวตายนะชุยก็ช่วยแกลำเค้นมากนะอันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะ แ, แกช่วยแกลำเค้นมากนะญี่ปุ่นคนสมัยก่อนเนี่ยถ้ายากจนก็ต้องต้องขายขายลูกนะเธอก็ไปอยู่สํานักคณิสานักเกชาก็ถูกถูกเขาโขกถูกเขาสับนะแล้วชุยก็ลำเคนมากนะเดือดร้อน ลำบากมาตลอดมีแฟนแฟนก็เกิดตายขึ้นมาเสร็จล้พอพวกวันน้องชายตายชีแกไม่เหลือใครแนละ้วแกก็เลยวันตัดสินใจฆ่าตัวตายเดินออกไปเข้าไปในป่าซึ่งเป็นฤดูหนาวนะเกียวโตนี่มันฤดูหนาวเดือนม ก, กราเนี่ย ม, มันหนาวมากที่มาตกหนาทึกเลยแกจะไปฆ่าตัวตายในป่าแต่ว่ามีชายชราพาึงช่วยแกไว้ ช่วยชียวิแกไว้พอได้ฟังความทุกข์องแกเนี่ยชายชลก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากฆ่าตัวตายฉันแล้วเธอบอกว่าเนี่ยจะแนะนําอย่างนึงนะให้คุณกลับไปเข้าไปในเมืองกลับไปใช่ยชีวิตตามเดิมแล้วก็ช่วยใครสักคนหนึ่งวันละคนถ้าคุณช่วยใครสักคนนะวันละคนแล้วคุณยังคิดฆ่าตัวตายนะให้คุณกลับมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณตายสมใจช่วยเธอตายสมใจ เธอก็ได้สตินะก็เลยทำตามคำแนะนำของชายสาราเธอก็เลือกช่วยเด็กยากจนเพราะว่าเด็กยากจนเนี่ยชะตากรรมเนเธซื้อหนังสือหนังสือให้อ่านให้เล่มหนึ่งเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่รับการอ่านมากแต่คนยากจนเนี่ยนกะ็จะจะไม่มีปัญญาซื้อหนังสือต่อหลังซื้อไม่พอนะอะสอนให้สอนด้วยนะสอนให้อ่านออกเขียนได้ เธอทำนี้เนี่ยวันละคนวันละคนวานละคนบอกว่าหลังจาก น, นั้นไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยคิดค่าตัวตายเลยคือพอนึกถึงคนอื่นแล้วเนี่ยความทุกข์ของตัวเองเป็นเรื่องเล็กการที่ความทุกข์มันจะบรรเทาเบาบางได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราคิดถึงคนอื่นที่เขามีความทุกข์มากกว่าเราแต่ตรงเนี้คิดคิดไปคิดไปเพราะาเรากับโชคเดียวคนอื่นนะเรายังกินอิ่มนอนอุ่นนะเรายังมีพ่อมีแม่นะ ที่แบบนี้ขเขาในความสุขก็กลับคืนมาเราคงเคยได้ยินใช่ไหมเด็กที่ร้องไห้นะร้องไห้เ่ร้องไห้เพราะว่ารองเท้าขาดแม่ก็ไม่ยอมซื้อให้แต่ว่าพอไปเจอเด็กขาขาดเนี่ยเด็กนี่หยุดร้องเลยทำไมหยุดร้องเพราะเห็นว่าไม่ใช่โชคดีนะรองเท้าเราแค่เป็นรู รองเ้าเราแค่ขาแต่คนหนึ่งนี่เขาไม่มีขารู้สึกเลยว่าโอ้เราเนี่โชคดีเนีคนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยนะมันทาให้เขาเนี่ยสามารถจะคลายจากความทุกข์แล้วกลับมีความสุขได้และสิ่งทั้งหมดนี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะถ้าว่าเราเนี่ยเรียนรู้จักเรารู้จักเท่าทันจิตใจของเราธรรมชาติขอเราเนี่ยชอบคิดไปถึงอดีต ไปกังวลกับอนาคตธรรมาชาติขอเราจะชอบมองในแง่ลบมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีไอ้ด้านดีๆก็ไม่คยมองรวมทั้งว่ามักจะนึกถึงว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่เคยคิดถึงคนอื่นเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเราตระหนัก ว, ว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันทําให้มีความทุกข์ทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นครับความสุขได้ยากเราก็จะเปลี่ยนไปคิดแบบใหม่ ไปคิดตรงในทางตรงข้ามจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสตินะต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันความคิดของเราใจที่มันชอบเผลอแย่ดีใจที่มันชอบวิ่งไปนาคตต้องรู้เท่าทันใจที่มันนะชอบที่จะมองอะไรในแง่ลบรวมทั้งใจที่ชอบแบกเอาไว้คนเราทุกข์เพราะว่าแบกนะชอบแบกไม่ได้แบกที่ไหนแบกที่ใจ ไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเก็บเอามาแบกเอาไว้คําพูดที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมให้มันผ่านเลยไปยังเก็บเอามาคิดย้ำซ้ําเติมตัวเองใจที่ชอบแบกนีย่ยมันคือใจเป็นเหตุแห่งความทุกข์และที่แบกเพราะไม่มีสติทั้งที่การแบก น, นี่มันทําให้ให้นักคําพูดที่ต่อว่าด่าทอเปรียบเหมือนแก้ว คมคมเศษแก้วคมคมซึ่งถ้าเราถือเอาไว้ถือไม่พอยังไปกำบีกกำบีมันก็บาดมันก็เฉียนมือเราทําไมเราไม่ไม่วางมันลงทําไมเราไม่ทิ้งมันมันลงไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่ไม่ยอมทิ้งนะแต่เก็บออกมาแล้วก็บีกกำแล้วก็บีกกำแล้วก็บีกทานก้อนร้อน กรรมมันก็ทุกข์แต่ก็ยกงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเราประคับประ ง, งมความโกรธเอาไว้ความพยาบาลเนี่ยเรากับธนุถนอมมันแล้วเราก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความยึดติดอา่จะเป็นคําพูดการกระทาหรือเหตุการณ์เช่นความสูญเสียบางคนเสียเงินไปแล้วนะแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปอ้าวหาใหม่ ก็กลับเอามาคิดถึงมันอยู่นั่นแหละมีเพื่อนคนหนึ่งโดน โ, ดนโกไม่หกแสนหกเลยเสียใจมากแกไม่ยอมไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยเอาแต่นั่งเจ้าจุสุขภาพก็ย่ำแย่เป็นอย่างี้ถึงสามสี่เดือนนะทําให้อสงสัยไม่ได้ว่าตกลงเธอรักเงินหรือว่ารักสุขภาพตัวเองแน่คนส่วนใหญ่รักเงินมากกว่ารักตัวเองนะทั้งที่เราก็บอกปากเราบอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองนะแต่พอเงินหายเนี่ย โไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่อยให้ร่างกายในผายผอมซึมอันนี้เราวารักเงินมากกว่ารักตัวเองแล้วก็ไม่ฉลาดเลยเพราะว่าแทนที่จะเสียแต่เงินใจก็เสียสุขภาพก็เสียงานก็เสียไม่มีเรี่ยวแรงทา ง, งานสามัมพัธภาพก็เสียเพราะว่าไม่อยากคุยกับใครใครมาคุยแกก็ร ำ, ำคาญตวาดใส่ นะคนฉลาดเนี่ยถ้าเสียเสียอย่างเดียวคือเสียเงินนะแต่ว่าแต่ถ้าคนไม่ฉลาดเนี่ยเสียงเงินไม่พอเสียใจเสียสุขภาพเสียงานการเสียพระมัติภาพโดยไปอีกสี่เด้งนะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ปล่อยไม่วางที่ไม่ปล่อยไม่วางเพราะอะไรเพราะไม่มีสติแบกหินทั้งที่โดยที่ไม่รู้เลยว่าหินมันหนักแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อย แต่ถ้าเกิดว่ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ตัวนะมันวางเลยนะมันวางทันทีสติเนี่ยมันช่วยมากเลยทําให้เรารู้เลยว่าเรากำลังเผลอแบกของหนักทําให้เรารู้ว่าเรากำลังจับของร้อนจับถาดร้อนๆคนที่รู้ว่าคนที่โกรธแล้วรู้ว่าโกรดนี่นะมันจะหลุดไปเลยนะความโกรธมันจะหลุดไปเลยหรือถึงยังไม่หลุดทีเดียวก็ออแผ่เมตตาให้ให้อภัยมันก็ช่วยให้หลุดได้การมีสตินะ มันทำให้เรารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดของเราและมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะไม่ว่ามีอะไรมากระทบเราแล้ก็ปล่อยแล้วก็วางได้ความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งภายนอกมาเท่ากับเพราะใจของเรานะปูเจ้าตรัสว่ามือมือที่ไม่เป็นแผลเนี่ยนะหยิบยาพิษถูกต้องยาพิษก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามือเป็นแผลเสร็จแล้วถูกต้องยาพิษ กเป็นอันตรายถึงตายอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะยาพิษมาเท่ากับว่ามือที่มีแผลจริงๆถ้ามือมีแผลนะเดี๋ยวว่าแต่ยาพิษเลยเจอแค่ยอดญ้าเนี่ยเจอแค่ปลายญ้ามันก็เจ็บแล้วใช่ไมครัเพราะงั้นอย่าไปโทษปลายย่าอย่าไปโทษอย่าไปโทษยอดย่าอย่าไปโทษยาพิษต้องต้องกลับมาดูใจของเราว่าใจเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมือที่มีแผลหรือเปล่าใจที่ไม่มีสติเนี่ก็คือใจมันก็ใจที่มือที่มีแผล เจออะไรมากระทบก็ทุกง่ายมีเรื่องราวฮนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุดาเก็ดประวัติตอนหนึ่งหลวงปู่บุดาเนี่ยท่านท่านมรณภาพไปแล้วเม20ปีที่แล้วตอนนี้ท่านมรณภาพนี่ก็อายุ101ปีเรื่องนี้คงเกิดขึ้นมาสัก50ปีมาแล้วมีโยมที่มโนให้ท่านไปามาฉันเพลงที่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงบุปรีมาฉันเสร็จก็โยมก็เห็นว่าท่าน ชรามากแล้วนะก็อยากให้นอนพักก่อนเทียบกับสิงบุรีก็จัดหาห้องพักให้ท่านจำวัดก็มีลูกศิษย์ลูกหาสามสี่คนสีห้าคนเนี่ยมันนั่งเป็นเพื่อนท่านท่านหลับอยู่นะลูกศิษย์ลูกหาก็คุยกระซิบกบระซาบกันแต่บังเอิญเนี่ยห้องข้างๆห้องที่ติดกันเป็ น, เ ป, นเป็นห้องแถวเป็นเป็นร้านชำนะเจ้าของเป็นอัซิมนะคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สวมเกี้ย เวลาเดินขึ้นบันไดเสียงก็ดังดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุตาจำวัดอยู่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจมีคนก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังยิ่งเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านตาตาท่านปิดแต่ท่านไม่ได้หลับท่านก็ได้ยินท่กกานก็เลยเปลยขึ้นมาเบาวๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกี้ยเขาเองเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือว่าเอาหูไปรองเกี้ยเขาเพก็ไม่มีสติ เมื่อมีสติเนี่ยนะก็ปล่อยให้ใจเนี่ยนะไปไปรองเกียร์เขานะก็เลยกลายเป็นแบบนะแต่แทนที่จะดูแทนที่ไปดูไปไปแทนที่ไปสนใจเสียงเกียร์กลับมาดูใจของตัวเองมีสติก็จะเห็นแล้วอ๋อนี่เรากำลังเอาหูไปรองเกียร์มันก็จะวางเองเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรื่องสติสําคัญมากนะในการที่จะทําให้เราสามารถจะเป็นสุขได้ ไม่ใช่ในเวลาที่อยู่ในสิ่งเวล้อมที่สบายแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเราก็มีความสุขได้ออคุณพี่ช้ยได้พูดถึงธรรมยารานะธรรมยาราซึ่งพากันเดิน 7, เจ็ดคืนแปดวันแล้วก็เดินนะเดินกลางแดดนะบางคนก็ถอดรองเท้าหลายคนก็ไม่มีอะไรคลุมหัวแลญ่ก็ร้อนนะเดือนทันวาเนี่ยอีสานมันร้อนทีเดียวแต่หลายคนเนี่ยแม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าใจใจเป็นใจเป็นสุข แต่บางคนเนี่ยเหนื่อยก็จริงนะมันแต่เหนื่อยแต่กายนะใจไม่เหนื่อยเรามีคำขันว่าร้อนแต่กายใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานอันเนี้ยเคล็ดลับที่ทําให้ทําเช่นนั้นได้คือการมีสติก็คือว่าเวลาเวลาเดินแดดมันร้อนนะมันร้อนกายก็จริงนะแต่ว่าพอใจเนี่ยเริ่มหดหดใจเริ่มเป็นทุกข์รู้ทันก็วาง ให้มันร้อนแต่กายนะแต่ใจไม่ร้อนด้วยเวลาเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่กายนะแต่ใจเนี่ยสามารถจะทรงใจให้ปกติได้เพราะมีสติคือไม่แบกเอาความทุกข์ของกายมาไว้ที่ใจนะวางการการมีสติรวมทั้งการมีสมาธิเนี่ยมันช่วยทำให้ใจมันวางความทุกข์ไม่ไปแบกความทุกข์ของกายมานะให้มันเป็นเรื่องของกายไปใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะ อันนี้เรียกว่ามีสตินะยิ่งถ้ามีปัญญานะมีปัญญาเห็นนะว่าเออไอที่ทุกข์นั้นเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของกายมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจมันก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เป็นของกายล้วนๆไม่ใช่ของใจแล้วคนที่เจริญสติจนถ้ามีปัญญาเห็นรูปนามรู้ว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ย ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยเพราร่วมไปเป็นแค่ความทุกข์กายแต่ถ้าไม่เห็นไม่มีไม่มีปัญญาเห็นตรงนี้แล้วสติก็ไม่มีนะเวลาร้อนเวลาเหนื่อยมันก็จะคิดขึ้นมาเลยว่าฉันร้อนฉันเหนื่อยกูร้อนกูเหนื่อยปวดก็กูปวดหิวก็กูหิวมันมีแต่ตัวกูอ่ะอันนี้แหละคือความทุกข์แต่ถ้ามีสติหรือและมีหรื อ, ร อ, ร อ, รอมีปัญญานี่นะมันก็จะทุกแต่กายแต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วย หลวงปู่บุตดาเนี่ยนะมันมีตอนหนึงนะท่านได้รับนิมนต์อีกครั้งหนึ่งนั้นมาฉันคนนี้ท่านมามาม า, มาเป็นคณะเลยนะนิมนต์พระมามาณแปดเก้ารูปมาฉันบอกว่าอาหารมีคิดพระนี่ทั้งคณะเลยนี่อาจเจียนกันใหญ่แต่ขณะที่พระหนุ่มเนี่ยนะอาจเจียนจนหมดแรงนอนนะพอหมดแรงเนี่ยหลวงปู่เนี่ยนั่งคุยกับโยมคุยสักพักก็อาจเจียนใส่กระโถนแล้วก็นั่งคุยกับโยมใหม่คุยเพื่อให้กาลังใจเจ้าภาพ เขารู้สึกว่าเจ้าภาพสใจเสียนะทำให้หลวงปู่เนี่ยทำให้พระเนี่ยอ า, อาเจียนงันทุกคนก็แปลกใจว่าพระหนุ่มเนี่ยนะหมดสภาพเลยนะนอนแต่หลวงปู่อุตดาคุยกับโยมได้ปกติก็ไม่เชิงปกตินะถึงเวล า, าเจียนท่านก็อาเจียนเสร็จท่านก็มันคุยต่อคนก็สงสัยทําได้ยังไงหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่าร่างกายของของฉันเนี่ยนะมันก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ เวลาโดนยาเบื่อยังงับยาโดนยาเบื่อยามามันก็เป็นแบบนี้แหละคืออาเจียนแต่ใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยอย่ามาปนกันคือมันคือเรื่องพุทธทุกแต่กายเนี่ยแต่ใจไม่ทุกเนี่ยอยีกคราวหนึ่งถ้าไปถ้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกผ่าเสร็จสักพักฉันก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรเพียงช่วนหมอแปลกใจพยาบาลแปลกใจหลวงพ่อไม่เจ็บเหรอผลพอบอกเจ็บเสีร่างกายฉันก็เหมือนคนอื่นแล้งเจ็บนะแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยอันนี้ทํา้ได้เนี่ย ต้องมีปัญญาเห็นเห็นว่ามันไม่มีตัวเรามันเป็นแต่รูป ก, กับนามีแต่กายกับใจเมื่อเกิดความเจ็บความปวดขึ้นมันไม่ใช่ฉันปวดฉันเจ็บมันมีแต่กายที่ปวดแต่ใจไม่ได้เจ็บด้วยถ้าคุณมีปัญญาถึงขั้นนี้เลยนะคุณยิ้มเป็นสุขได้ในทุากสถานจริงเลยนะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวไม่ว่าจะป่วยหรือวปกติไม่ว่าจะมีหรือเสียไม่ว่าจ ะ, ะพบหรือพลาดเจอหรือจากนะสามารถเป็นสุขได้เป็นสุนทรสาการ เพรานะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันว่าอยู่ทุกที่ก็มีสุขได้แต่มาก็ใช้เวลาพอสมครวรแล้วนะก็คงจ ะ, ะยุติเพียงเท่านี้